ตายไม่เสียใจตายแล้วเวลาจะตายจะขึ้นเหิมนะไม่เสียใจท้าแท้พ่อแม่อะไรอวบ์ไม่เป็นหรอกก่อนจะตายจริงๆอาจจอหวันไหวบ้างแต่ถึงเวลาจะต้องตายจริงๆขึ้นมาเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นมานจิตที่มันฝึกเอาไว้ชำนี้ชํานานแบบพวกเราส่วนมากความไม่แน่นอนมันเยอะอย่างเชสที่แปลกอิจารย์สุรพล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 แล้วก็โอ้ตื่นเต้นลนาทีหนึ่งหครั้งเหรอบอกวันหนึ่งโอ้วันหนึ่งหครั้งอย่ามาคุย <c oughs> ตื่นมาละห้าครั้งน้อยเกินใจไม่คุ้นเคยที่จะตื่นนะเวลาจะตายลาบากมันคุ้นเคยที่จะหลงงัพวกเราครรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกฝึกไปเรื่อยนะคอยรู้ฝึกให้จิตมันเคยชินเคยชินที่สติจะเกิดอัตโนมัติ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 ขันยิบยบ ย, บยับยับนะเหมือนตัวอะไรไตรใครใครเป็นบ้างนั่งแล้วคันคันสีนดังพร้อยงั้นก่อนจะนั่งนะตั้งใจรักษาศีให้ดีกันว่าเราต่อไปนี้เราจะรักษาศีลให้ดีนะแล้วเราจะนั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลเนีย่ยจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั้งหลายก็นั่งไปทําไมนั่งแล้วไม่ค่อยคันเพราะสบายใจ